Book 2 72จ็ดสิบสองตัวอีเอ็นสี่ต้องมุดอดิต้องุดิฉันต้องส่งจดหมายออับริฟพ ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมฉันต้องจ่ายค่าโรงแรมคุณต้องตื่นแต่เช้าคุณต้องตื่นแต่เช้ายายอต่ตเคุณต้องทำงานมากคุณต้องทำงานมากยยมคุณต้องตรงเวลาคุณต้องตรงเวลายายต้ตเวล เขาต้องเติมน้ำมันไอมุดรนสตฟไรเขาต้องซ่อมรถไอมุดตีมเตอร์เฮอร์สเลเขาต้องล้างรถไอมุดตีมเตอร์วเธอต้องซื้อของไซมุดอินคิสต เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ใส่มุดที่วัวหนังสเกลหมอกเธอต้องซักเสื้อผ้าใส่มุดว่าสขดุนเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้องสมุดเมติเอียนส์สกูลตุกขอนเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Ons ส o e t met eens werk t o ว g a a n ุกอ o เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ on ณส์มุดมิดอิเอ็นส์ด็อกเตอรุกอนพวกคุณต้องรอรถเมย์ลวบพวกคุณต้องรอรถไฟยลุ่ว พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่